ين ين ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกและด้วยภูเขาตูร์ซีนานและด้วยเมืองที่ปลอดภัยนี้โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งทุม